ท่านผู้มีจิตเมตตาการุณาใจบุญใจกุศลทุกทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่าพฤษภาคมพุทธศักราช๒5๕๗เป็นวันหยุดราชการเนื่องจากเป็นวันชาตรมงคลทำให้ญาติโยมได้มี วันกำไรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันคือมีวันไดมาทำบุญเพิ่มขึ้นจากปกติที่เคยมาทำในวันเสาร์วันอาทิตย์วันนี้เป็นวันจันทร์ซึ่งปกติก็ต้องไปทำงานทำการกันแต่พอดีเป็นวันชาติมงคลญาติโยมก็เลยไม่ต้องไปทำงาน จึงได้กำไรเพราะว่าได้มาทำบุญเพิ่มขึ้นนั่นเองบุญนี้ก็เป็นเหมือนกับเงินที่เราเอาไปฝากไว้ในธนาคารที่เราสามารถเบิกใช้ได้ในเวลาที่เราต้องการจะใช้บุญก็เป็นเหมือนเงินที่เราจะเบิกตอนที่ เราจากโลกนี้ไปแล้วเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจของเราดวงวิญญาณของเราก็จะต้องออกเดินทางไปต่างประเทศเหมือนกับเวลาที่เราไปต่างประเทศเราต้องขึ้นเครื่องบินเราขึ้นเครื่องบินถ้าเรามีเงินติดตัวไปมีบัตรเครดิตติดตัวไป เราไปเราก็จะไปเที่ยวอย่างสุขอย่างสบายพักโรงแรมห้าดาวไปอยู่ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆด้วยมักคุเทศที่มีความชํานาญพาให้เราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้อย่างสะดวกอย่างสบายการจากโลกนี้ไปถ้ามีบุญติดตัวไป ก็เหมือนกับการได้ไปเที่ยวต่างประเทศต่างประเทศของดวงวิญญาณก็คือสวรรค์ชั้นต่างๆนี่เองการจะไปสวรรค์ชั้นต่างๆได้ก็ต้องมีบุญสะสมมาไว้บุญที่ต้องสะสมไว้ก็มีอยู่สองข้อด้วยกันคือทานกับศีลทำทานอย่างวันนี้ญาติโยมนำข้าวของเงินทอง กับข้าวกับปลาอาหารขาวหวานต่างๆมาถวายพระอย่างนี้เรียกว่าเป็นทานบุญที่เกิดจากทานนี้ก็จะทำให้เรามีเงินมีทองไว้ไปใช้ในโลกทิพย์ส่วนศีลเราก็ต้องรักษาถ้าเราไม่ต้องการที่จะไปไปรับผล คือไปติดคุกติดตารางหรือไปเป็นขอทานศีลนี้จะป้องกันไม่ให้เราไปติดคุกติดตารางไปเป็นขอทานในโลกทิพย์โลกทิพย์ก็เหมือนโลกกระ t ท, ที่เราอยู่กันในวันนี้โลกโลกกระ t ก็มีที่กักขังสำหรับคนที่ทำผิดกฎหมาย สำหรับคนที่ไม่มีความสามารถที่จะหาเงินหาทองก็ต้องเป็นขอทานคนที่มีความสามารถหาเงินหาทองก็ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอยู่อย่างสุขอย่างสบายมีปัจจัยสี่พราะมีของเครื่อนใช้ไม้สอยต่างๆเช่นรถยนต์ อของเสื้อผ้าสิ่งต่างๆที่ต้องการก็สามารถซื้อหามาได้พราะมีเงินทองถ้าไม่มีเงินทองก็ต้องไปเป็นขอทานถ้าไม่สามารถหาเงินทองได้ด้วยตนเองดวงวิญญาณของพวกเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่ทําบา เราก็ไม่ต้องไปติดคุกติดตารางในโลกทิพย์เราไม่ต้องไปเป็นขอทานในโลกทิพย์แล้วถ้าเราทำบุญเราก็จะไปท่องเที่ยวในสวรรค์ชั้นต่างๆนี่คือบุญที่พวกเราควรจะทำกันอย่างสม่ำเสนอสองข้อถ้าเราอยากจะออกจาก ร่างกายนี้ไปไปสู่โลกทิพย์ไปท่องเที่ยวตามสวรรค์ชั้นต่างๆไปอยู่โรงแรมระดับห้าดาวมีอาหารทิพย์มีรูปทิพย์เสียงทิพย์ิ่นทิพย์ให้เราได้สัมผัสถ้าเราไม่สามารถรักษาศีลได้ทำบาป ท, ทำกรรมเราก็จะต้องมีโอกาส ไปใช้บาทในโลกทิพย์ไปติดคุกติดตารางคุกตารางนี้ก็คือนรกหรือไปเป็นขอทานขอทานก็เป็นเปรตหรือไม่เช่นนั้นก็ไปเกิดเป็นเดรัจฉานนี่คือที่ไปของผู้ที่ทำผิดศีลผิดธรรมเหมือนกับคนที่ทำผิดกฎหมาย ก็ต้องไปติดคุกติดตารางหรือถูกยึดทรัพย์ดังนั้นถ้าเราอยากจะให้การไปของเรานี้ไปดีไปสู่สุขติเราก็ต้องหมั่นทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆรักษาศีลอยู่เรื่อยๆเพราะเวลาตายไปนี้บุญกับบาปจะเป็นตัวที่จะมา เอาดวงวิญญาณของเราไปถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบาปบุญก็จะเดินเราไปสวรรค์ถ้าบาปมีกําลังมากกว่าบุญบาปก็จะเดินเราไปสู่อบายถ้าบุญกับบาปมีกําลังเท่ากันเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้า ได้ทรงตัดสัตวได้เห็นอย่างชัดเจนเพราะพระ อ, องค์ทรงเห็นดวงจิตดวงวิญญาณที่พวกเรามองไม่เห็นกันสาเหตุที่พวกเรามองไม่เห็นดวงจิตดวงวิญญาณของพวกเราก็เพราะว่าเราไม่เปิดตาในขึ้นมานั่นเองเราเปิดแต่ตานอกแต่ตาในเราไม่เปิด วิธีจะเปิดตาในเราต้องปิดตานอกแล้วก็ทาใจให้สงบให้หยุดความคิดปุงแต่งต่างๆให้หมดไปเหมือนกับจอทีวีเวลาเราเปิดโทรทัศน์นี้เราจะมองไม่เห็นจอจอทีวีเราจะเห็นภาพที่ปรากฏขึ้นบนจอทีวีเราจะไม่รู้ว่าจอทีวีนี้เป็นอย่างไรอย่างแท้จริง จนกว่าเราจะปิดโทรทัศน์พอปิดโทรทัศน์แล้วทีนี้ก็จะมีจอเปล่าๆ เ, เราก็จะเห็นจอที่แท้จริงของจอโทรทัศน์ว่าเป็นอย่างไรใจของพวกเราก็เช่นเดียวกันตอนนี้เราไม่เห็นใจของพวกเราเราเห็นความคิดปรุงแต่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นบนจอของใจ ถ้าเราอยากจะเห็นจอของใจอยากจะเห็นตัวใจเราก็ต้องควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้เวลาใจหยุดความคิดแล้วเราก็จะเห็นตัวใจคือตัวรู้นี่เองเราจะรู้ว่าอ๋อตัวนี้เองที่ไม่ใช่เป็นร่างกายตัวนี้ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายตัวนี้ที่จะต้องไปใช้ บาปใช้บุญต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วพอเราเห็นตัวรู้เห็นตัวใจแล้วทีนี้เราก็จะเข้าใจว่าทำไมเราต้องทำบุญทำไมเราต้องไม่ทำบาปทำไมเราต้องมากำจัดความโลภความโกรธความหลงกำจัดความอยากต่างๆเพราะ ตัวใจนี่แหละตัวรู้นี่แหละผู้ที่จะเป็นผู้รับผลของการกระทำของเราถ้าเราทําบุญใจของเราก็สงบมีความสุขใจของเราก็เป็นสวรรค์ขึ้นมาถ้าเราทําบาปใจของเราก็จะทุกข์จะวุ่นวายใจใจของเราก็จะเป็นนรกขึ้นมา ถ้าเรามีความโลภความโกรธความหลงมีความอยากใจของเราก็ฟุ้งซ่านกระสับกระส่ายกังวลกังวายกินไม่ได้นอนไม่หลับหิวโหยวิ่ตกกังวลกับเรื่องราวต่างๆนี่เป็นผลที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆถ้าเราต้องการให้ใจของเราสงบเย็นสบาย เราก็ต้องหยุดความโลภหยุดความโกรธหยุดความหลงหยุดความอยากสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นชัดต่อเมื่อเราเข้าถึงตัวรู้เข้าถึงตัวใจตอนนี้เราเข้าไม่ถึงเพราะเรามีอารมณ์ต่างๆมีความรู้สึกต่างๆมีความคิดต่างๆเป็นเหมือนกำแพงกั้นเอาไว้ เหมือนกับภาพต่างๆที่ปรากฏอยู่บนจอโทรทัศน์ ท, ทาเราไม่ทให้เราไม่เห็นว่าจอโทรทัศน์จริงๆนั้นเป็นอย่างไรเราเห็นภาพต่างๆและเราก็หลงไปกับภาพที่เราเห็นคิดว่าเราเป็นภาพนั้นไปเช่นเราเกิดมาเราก็ได้ภาพทางร่างกายเราก็หลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรา แล้วเราก็หลงคิดว่าเรามีชื่อนั้นชื่อนี้มีนามสกุลนั้นสกุลนี้มีพ่อมีแม่คนนั้นคนนี้มีสามีมีภรรยามีบุตรมีธิดามีสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆแต่เราไม่รู้หรอกว่าของพวกนี้เป็นเหมือนภาพที่ปรากฏอยู่บนจอโทรทัศน์มันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงพอเราปิด ทรทัศน์ปั๊บภาพเหล่านี้ก็จะหายไปเวลาเรานั่งสมาธิทําใจให้สงบพอใจสงบแล้วความรู้สึกต่างๆความรู้ต่างๆเกี่ยวกับตัวเราก็จะหายไปชื่อของเราก็หายไปนามสกุลของเราก็หายไปหน้าที่การงานของเราก็หายไปพ่อแม่ของเราก็หายไปสามีภรรยาของเราก็หายไป บุตรทธ่ดาก็หายไปทรัพสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆก็จะหายไปหมดเหมือนภาพที่อยู่บนจอโทรทัศน์พอปิดพับในภาพนั้นจะหายไปหมดเลยเหลือแต่จอโทรทัศน์อยู่ตามลําพังเวลาเรานั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ก็จะเหลือแต่ตัวรู้เท่านั้นเหลือแต่ผู้รู้เหลือสัตว์แต่ว่ารู้แล้วเราจะรู้ว่า นี่แหละคือตัวของเราอย่างแท้จริงตัวนี้แหละที่จะอยู่กับเราไปกับเราจะอยู่กับเราแบบสุขหรืออยู่กับเราแบบทุกข์ก็อยู่ที่บุญที่บาปที่เราทำรํำใดสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆญาติาตาาสนิทมิตรสหายสถานภาพต่างๆเป็นผู้จัดการเป็นผู้ เป็นนายกเป็นอะไรของพวกนี้ไม่ได้เป็นของเราเลยพอเราจากร่างกายนี้ไปเราก็ไปกับตัวรู้ตัวเดียวผู้รู้ตัวเดียวแล้วสิ่งที่จะติดไปกับผู้รู้ก็คือบุญหรือบาปสุขหรือทุกนี้เองถ้าสุขก็เป็นสวรรค์ถ้าทุกข์ก็เป็นอบายถ้าไม่มีความอยากก็เป็นนิพพานไปนี่แหละ จึงเป็นสิ่งที่เราจะทําให้เรารู้ว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงถ้าเราเข้าถึงตัวรูน้นี้เห็นตัวรูน้นี้แล้วเราจะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เรายังไม่สงสัยว่าตายไปแล้วศูนหรือไม่ตายไปแล้วจะไปเกิดหรือใหม่หรือไม่ความสงสัยเหล่านี้มันจะหมดไปตอนนี้เรายังมองไม่เห็นเราจึงต้องอาศัยคนที่เห็นเชื่อคนที่เห็นไปก่อนเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระอริยสงสาวกเพราะท่านเป็นเหมือนคนตาดีคนที่มองอะไรเห็น แต่พวกเรายังเป็นเหมือนคนตาบอดอยู่มองอะไรไม่เห็นคนตาดีบอกว่าข้างหน้ามีภูเขามีป่าไม้มีอะไรเราก็มองไม่เห็นอยู่เราจึงต้องเชื่อคนตาดีก่อนถ้าเราเชื่อคนตาดีแล้วต่อไปเราก็จะหายตาบอดของเราจะหายเพราะคนตาดีจะสอนให้เรา เปิดตาของเราขึ้นมานั่นเองเปิดตาในด้วยการปิดตานอกพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราทำภาวนากันทำจิตใจให้สงบกันถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วพยายามทำจิตใจให้สงบได้พอใจสงบแล้วใจก็จะสว่างขึ้นมาใจก็จะเห็นตัวรู้เห็นความจริงต่างๆ เห็นว่านาโลกสวรรค์นี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวรู้นี่เวลาตัวรู้มีความทุกข์ที่เกิดจากการทําบาตตัวรู้นี้ก็จะร้อนเป็นไฟขึ้นมาเวลาตัวรู้ได้รับบุญที่เกิดจากการได้รับความสุขที่เกิดจากการทําบุญตัวรู้นี้ก็จะมีความเย็นมีความสบายเหมือนอยู่ในโรงแรมห้าดาว จึงไม่สงสัยว่านากมีจริงหรือไม่สวรรค์มีจริงหรือไม่ไม่สงสัยว่าบุญและบาป ท, ที่ทำไปแล้วมีผลหรือไม่ก็จะมีความเชื่ออย่างถาวรจะไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดถึงแม้ว่าจะต้องตายไปก็ยอมตายดีกว่าเยอะทำบาปเช่นถ้าร่างกายอดอยากขาดแคลนไม่มีอาหาร ก็จะไม่ไปลักขโมยอาหารมารับประทานถ้าหาอาหารมาได้โดยวิธีไม่ทำบาปไม่ได้ก็ยอม อ, อดตายไปเพราะการตายของร่างกายไม่มีผลเสียหายอะไรตามมาแต่การทำบาปนี้จะมีผลเสียหายทามาเพราะจะทำให้ใจตัวรู้นี้จะต้องไปรับผลบาป ต, ต่อไปนั่นเองนี่คือการที่จะทำให้เรา ไม่ลังเลไม่มีความสงสัยในเรื่องของบุญเรื่องของบาปในเรื่องของนรกในเรื่องของสวรรค์ในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดขั้นต้นเราก็ต้องเชื่อคนที่มีตาดีคนที่เห็นนรกเห็นสวรรค์มาแล้วคนที่ยุติการเวียนว่ายตายเกิดมาแล้วพอเราเชื่อแล้วเราก็จะได้ทำตามคำสอนของ ผู้ที่รู้จริงเห็นจริงก็คือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระอาหารหันตสาวกเราก็มีตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ขอให้เราเชื่อพระธรรมคาสอนที่สอนให้เราทำบุญละบาปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ทำสามข้อนี้เท่านั้นขอให้เชื่อสามข้อนี้แล้วรับรองได้ว่าเราจะได้ไปสวรรค์เราจะได้เราจะไม่ต้องไปอบายอย่างแน่นอนและเราจะไปถึงพระนิพพานได้ถ้าเราสามารถชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้วิธีที่จะทำบุญก็คือการทำทานนี่เอง วิธีที่จะละบาป ก, ก็คือการรักษาศีลวิธีที่จะชำระใจให้สะอาดบริสุทธิก็คือการเจริญภาวนาสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถะภาวนาก็คือทาใจให้สงบเพื่อให้เห็นตัวรู้พอเห็นตัวรู้แล้วทีนี้ก็สอนตัวรู้อย่า ให้ไปหลงกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะว่าของต่างๆในโลกนี้มันไม่เที่ยงถ้ามันไม่เที่ยงมันก็ต้องเป็นทุกข์เพราะเวลามันหมดไปเราก็จะต้องเสียอกเสียใจเราได้อะไรมาเราดีอกดีใจพอเราเสียสิ่งที่เราได้มาเราก็จะเสียอกเสียใจถ้าเรารู้ว่าเราต้องเสียทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราได้มาไปในที่สุดเราก็จะไม่อยากได้อะไรพอเราไม่อยากได้อะไรเราก็จะไม่มีเชื้อของภพของชาติไม่มีตัวที่จะฉุดลากให้เราไปเกิดใหม่อีกนั่นเองตัวที่จะพาให้เราไปเกิดใหม่ก็คือความอยากต่างๆพอเราเห็นด้วยปัญญาว่าความอยากนี้เป็นความทุกข์สิ่งที่ได้มาก็เป็นความทุกข์ เราก็จะไม่อยากได้พอเราไม่อยากได้อะไรไม่มีความอยากอยู่ในใจเราก็จะไม่มีอะไรมาชุดลากให้เราไปเกิดใหม่อีกต่อไปพอเราไม่ไปเกิดใหม่เราก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บตายเราก็ไม่ต้องทุกข์ต่อไปเราก็ไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเราก็จะอยู่ที่พระนิพพานหลุดพ้นจาก ความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด น, นี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคำสอนเชื่อพระอาหารหันตสาบกอย่างที่พวกเราเชื่อกันและมาปฏิบัติตามคำสอนในวันนี้วันนี้เรามาทำทางเรามารักษาศีลเรามาฟังเทศฟังธรรม เพื่อที่เราจะได้รู้วิธีการชำระใจของเราให้ปราศจากความอยากถ้าเราทำไปเรื่อยๆทำไปอย่างต่อเนื่องทำเพิ่มขึ้นไปมากๆขึ้นไปเรื่อยๆรับรองได้ว่าเราจะได้รับผลอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงได้รับมาอย่างแน่นอนอย่างน้อยก็ไม่ต้องไปเกิดในอบาย อย่างน้อยก็ได้ไปเที่ยวสวรรค์ชั้นต่างๆแล้วถ้าเราสามารถชำระใจให้ปราศจากความอยากต่างๆได้เราก็จะไปถึงพระนิพพานนี่คือผลกำไรที่เราจะได้รับจากการมีวันพิเศษวันนี้คือมีวันหยุดทําให้เราได้มีโอกาสมาเติมุญมาลา บ, บามาชาระใจของเรา ให้มีความอยากน้อยลงไปตามลำดับจึงขอให้พวกเราพยายามใช้เวลาที่มีค่านี้ไปกับการสร้างบุญละบาปไปกับการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์จะดีกว่าการกระทำสิ่งต่างๆเพราะว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ให้ความสุขเราได้เพียงชั่วคราว พอถึงเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเวลาที่เราต้องจากโลกนี้ไปสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ช่วยเราไม่ได้เลยเราเอาติดตัวไปไม่ได้เราเอาติดตัวไปได้ก็คือผลบุญผลบาปและใจที่สะอาดนี้เท่านั้นจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดในวันพิเศษ ในวันกำไรของชีวิตนี้ขอให้ท่านหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลหมั่นละบาปหมั่นชำละใจให้สะอาดบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติ๊กไหเพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัย